สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในกฎทองคำข้อที่2นะครับก็คือกฎของการที่เน้นย้ำความสำคัญของสิ่งที่อยู่ข้างในครับพระคัมภี์ได้ให้เราถึง9ข้อย่อยด้วยกันครับวันนี้จะอยู่ที่ข้อที่ 3, ข้อที่4และข้อที่5ครับ พี่น้องครับกฎข้อที่2ของการเน้นย้ำความสำคัญของบุคคลที่อยู่ข้างในของเราในชีวิตของเรานะครับตัวตนข้างในของเราก็คือการแบ่งปันภายในพระธรรมลู ก, กาบทที่11ข้อที่41ครับแต่จงให้ทานตามซึ่งเจ้ามีอยู่ข้างในได้ดูเถิด สิ่งสารพัดก็บริสุทธิ์แก่เจ้าทั้งหลายแต่จงให้ทานตามซึ่งเจ้ามีอยู่ข้างในและดูเถิดสิ่งสารพัดก็บริสุทธิ์แก่เจ้าทั้งหลายการให้ทานก็คือการแบ่งปันกับคนอื่นคริสเตียนนั้นเป็นผู้ที่นำพระคุณของพระเจ้าและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งปันให้กับคนอื่นครับในการแบ่งปันนั้นต้องเกิดจากข้างใน ก็คือต้องมีความตั้งใจก่อนภายหลังจึงมีการกระทาเกิดขึ้นดังนั้นเองในจิตวิญญาณของเรานั้นจะต้องมีสิ่งดีๆที่จะพร้อมแบ่งปันคนอื่นเสียก่อนถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรจะแบ่งปันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่มีความรักเราจะแบ่งปันความรักได้อย่างไร ถ้ า, าว่าคนที่ไม่มีความรักแล้วสามารถแบ่งปันความรักนั้นได้ความรักนั้นก็เป็นความรักอะไรครับเป็นความรักที่หลอกลวงเป็นความรักแบบเฟกเป็นความรักที่หน้าไหวหลังหลอกเป็นความรักที่ไม่มีความจริงใจภายในนั้นไม่มีตัวตนมีแต่คำพูดการแบ่งปันก็ไม่มีคุณภาพก็ขาดคุณค่าครับ ศาสตราจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นได้เล่าเรื่องให้ฟังอย่างนี้ครับมีพี่น้องบุรุษคนหนึ่งไปเยี่ยมคนตกทุกข์ได้ยากพี่น้องคนนี้เห็นเขานั่งร้องไห้อยู่เขาไม่ได้บอกว่าอย่าร้องไห้แต่เขาเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆและร้องไห้กับเขาเมื่อคนที่ร้องไห้อยู่นั้นพบว่าคนที่มานั่งอยู่ข้างๆร้องไห้ด้วยจะถามว่าทําไมคุณถึงร้องไห้ เขาก็ตอบว่าผมก็คิดถึงคนที่ผมรักที่เขาจากโลกนี้ไปแล้วเหมือนกันกันกบคุณจากนั้นเขาก็แบ่งปันให้คนที่ร้องไห้ว่าพระเจ้าได้ปลอบใจเขายังไงเขากล่าวว่าพระเจ้าทรงเข้าใจผมและพระเจ้าจะทรงเข้าใจท่านด้วยหลังจากนั้นสักพักหนึ่งคนที่ร้องไห้ก่อนนั้นก็หยุดร้องไห้ครับและเขาสนใจใส่ใจที่จะรับฟังคาแบ่งปันในที่สุดเขาได้รับการปลอบใจ พี่น้องครับคนที่สามารถช่วยคนอื่นจริงๆและหนุนจิตชูใจคนอื่นนั้นได้ล้วนแต่มีประสบการณ์เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาครับเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าด้วยตัวเองเขาพบกับความช่วยเหลือของพระเจ้าเขาจึงมีสิ่งที่จะแบ่งปันคนอื่นได้นั่นคือที่อยู่ข้างในครับพี่น้องครับการแบ่งปันจากข้างในนั้นสาคัญครับและสิ่งที่สาคัญ ด้วยก็คือว่าคนที่แบ่งปันนั้นจะต้องแบ่งปันจากข้างในและในขณะเดียวกันครับเป็นประสบการณ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าให้เรามีประสบการณ์จากภายในมีประสบการณ์จริงๆและการช่วยเหลือของพระเจ้าจริงๆเราจึงสามารถที่จะช่วยคนอื่นได้ด้วยประการต่อไปครับเรื่องราวที่เกิดจากการรับใช้ด้วยข้างหน นะครับก็คือในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่6และข้อที่7ครับไม่เหมือนอย่างคนที่ทาแต่ต่อหน้าอย่างคนที่ทาให้ชอบใจคนแต่จงทําเหมือนอย่างทาตของพระคริสต์คือกระทําตามชอบใยพระเจ้าด้วยความเต็มใจไม่เหมือนอย่างคนที่ทําแต่ต่อหน้าอย่างคนที่ทําให้ชอบใจคนแต่จงทําเหมือนอย่างทาตของพระคริสต์ คือกระทําตามชอบพัฒน์ไทยพระเจ้าด้วยความเต็มใจนี่คือกฎทองคําข้อที่สองจครับในในพระธรรมโครสีบทที่สามข้อยี่ายังกล่าวเช่นเดียวกันครับว่าไม่ว่าท่านจะทําสิ่งใดก็จงทําด้วยความเต็มใจเหมือนกระทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เหมือนกระทําถวายแก่มนุษย์โปรดฟังอีกครั้งครับไม่ว่าท่านจะทําสิ่งใดก็จงทําด้วยความเต็มใจ เหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์ครับนี่คือการรับใช้จากภายในกฎทองคำข้อที่สองนี้เป็นกฎทองคำที่ต้องจริงใจจริงๆครับต้องเป็นคนข้างในจริงๆครับการรับใช้ก็เช่นเดียวกันการรับใช้นั้นก็ต้องเป็นการรับใช้จากข้างในเมื่อเร็วนี้ครับมีการรณรงค์ในสหรัฐอเมริกาที่ใช้ชื่อว่า Promise Keeper หรือการรณรงค์ของผู้รักษาสัญญา Promise Keeper ก็คือแปลว่ารักษาสัญญา Promise Keeper นั้นเกิดในปี1996ครับก็ประมาณ22ปีที่แล้วพี่น้องครับมีพี่น้องบุรุษผู้ชายเนี่ยนะครับประมาณ 700,000 กว่าคนเป็นสมาชิก Promise Keeper พวกเขาได้ทำสัญญาต่อพระพักพระเจ้ามีประเด็นสำคัญ7ประการและในข้อหนึ่งนั้น ก็คือต้องซื่อสัตย์กับภรรยาหมายความว่าคือต้องมีความสัตย์ซื่อต้องรักษาสัญญาที่ท่านเคยให้ไว้พี่น้องบุรุษเคยให้ไว้ตอนแต่งงานผมจะสัตย์ซื่อต่อภรรยาของผมไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนจะสุขหรือทุกข์จะเจ็บป่วยหรือสุขสบายหลายนท่านที่แต่งงานในโบสถ์ก็จะต้องให้คำปฏิญาหรือคำสัญญาเช่นนั้น ก็ปรากฏว่าการรณรงค์แบบพอมิสกิปเปอร์นั้นเป็นที่พอพอใจของเหล่าภรรยาทั้งหลายทำให้เห็นว่าการสัตย์ซื่อกับภรรยานั้นก็เท่ากับการสัตย์ซื่อกับพระเจ้าพี่น้องครับการสัตย์ซื่อกับภรรยาก็เท่ากับการสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าแล้วเราก็สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ถูกต้องกับมนุษย์ เมื่อรปรับความสัมพันธ์ให้ถูกต้องกับพระเจ้าเราก็สามารถปรับความสัมพันธ์ให้ถูกต้องกับมนุษย์ก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งคุกเข่าสารภาพกับคุณแม่ที่ผ่านมานั้นเด็กคนนี้ชั่วร้ายมากครับทําให้คุณแม่ปวดร้าวใจแต่ต่อมาคนนี้เด็กคนนี้รับเชื่อในพระเจ้าครับบังเกิดใหม่มีการแสดงออกใหม่ๆ ม, มีพฤติกรรมใหม่ๆที่เกิดจากข้างใน เด็กคนนี้มีความสัมพันธ์กับคุณแม่ดีขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าก่อนพี่น้องครับหลายไล้คนนะครับโฆษณาชักชวนให้คนอื่นอยู่อย่างสันติแต่ไม่เอาพระเจ้าเขาคิดว่าเขาจะใช้ความสามารถของตัวเองสร้างแผ่นดินสวรรค์บนโลกคนพวกนี้ก็สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วคนแล้วครับยังดาเนินอยู่แต่ไม่ประสบความสาเร็จเสียที บางคนรณรงค์ให้มีความคิดที่สูงส่งมากๆเลยคือต้องดูแลผู้ที่กดถูกกดขี่ข่มเหงแต่เขาไม่พึ่งไม่พึ่งพาพระเจ้าแต่พึ่งพาตัวเองในที่สุดล้มเหลวครับเพราะว่าเขาได้ละทิ้งสิ่งที่เป็นของดั้งเดิมแทนที่จะเอาพระเจ้าแต่เอามนุษย์มาแทนพระเจ้าพี่น้องครับการรับใช้พระเจ้านั้นอย่าทาให้ชอบใจคนเลยครับแต่ทาให้ชอบใจพระเจ้า คนนั้นไม่ได้อยู่ในกระแสรหรือน้ำมันไทยของพระเจ้าคนในที่นี้หมายถึงโลกหมายถึงคนที่ทำให้เราเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนอะไรครับเบี่ยงเบนจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของการรับใช้พระเจ้าแทนที่จะรับใช้พระเจ้าให้ดีกลับไปรับใช้คนและการรับใช้คนก็คือการที่ทำให้ชอบใจคนครับ แต่พังพีสอนว่าไม่ว่าท่านจะำทำสิ่งใดก็ขอให้ทำเหมือนดังทำถวายองค์พระเป็นเจ้าไม่ได้เหมือนกระทำแก่มนุษย์ต่อไปครับเป็นข้อสุดท้ายของวันนี้ข้อที่กฎข้อที่ 2.5 ก็คือความงามอันเกิดจากข้างในพระธรรมหนึ่งเปยตัวบทที่สามข้อที่4ครับแต่จงให้เป็นการประดับภายในยใจิตใจ แต่งด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสืส่อมสลายคือด้วยจิตใจที่สงบสุภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐในสายพระเนตรของพระเจ้าโปรดฟังอีกครั้งครับแต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจแต่งด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลายคือด้วยจิตใจที่สงบสุภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐในสายพระเนตรของพระเจ้า พี่น้องครับสิ่งที่ประเสริฐในสายพระเนตรของพระเจ้านั่นก็คือความงดงามข้างในความงดงามที่เกิดอยู่ภายในกษัตริย์ดาวิดนั่นเป็นบุรุษที่หล่อเหลาอยู่พอสมควรต่อมาเขาทำผิดบาปล้มเหลวสูญเสียความงดงามที่เคยอยู่ข้างในแต่เมื่อกษัตริย์ดาวิดรู้สึกตัวเขาสำนึกบาปกลับใจสารภาพบาป รู้สึกตัวสำนึกบาปกลับใจใหม่สารภาพบาปเขาเขียนในสรุปดีบทที่51ข้อที่6ครับท่านเขียนเป็นคำอธิษฐานว่าดูเถิดพระองค์มีพระประสงค์ความจริงภายในและในข้อที่10นั้นท่านได้เขียนว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์และฟืน้นนำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ พี่น้องครับกษัตย์ดาวิดนั้นเข้าใจถึงความหมายและคุณค่าของสิ่งที่อยู่ข้างในส่วนที่ลึกที่สุดที่อยู่ข้างในในที่สุดพระเจ้าก็ให้อภัยและโปรดปรานเขาอีกครั้งหนึ่งกสัตว์ดาวิดนั้นมีชื่อว่าเป็นบุรุษหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นคนที่อยู่ในนามัไทไยอยู่ในใจ พระเจ้าพี่น้องครับความงามของคนที่อยู่ภายนอกนั้นเปลี่ยนแปลงได้เสมอมีเรื่องเล่าว่าควีนอลิซสิบเที่หนึ่งซึ่งอยู่ประมาณ400กว่าปีก่อนครับพระนางนั้นทรงชื่นชมพะสดริโฉมของพระนางอย่างมากได้ทำกระจกบานใหญ่ๆหลายบานไว้ในพระราชวังเพื่อจะได้เห็นตัวเองทุกเวลาแต่เมื่อพระชนมายุมากขึ้นมากขึ้น พระองค์ก็สั่งให้รื้อกระจกเหล่านั้นออกเพราะไม่ต้องการเห็นความชราภาพของตัวเองพี่น้องครับมีคำพูดอย่างนี้ครับว่าพรุ่งนี้ดอกไม้ก็เฉาใบก็เหี่ยวแล้วตามด้วยเสียงถองหายใจครับพรุ่งนี้ดอกไม้ก็เฉาใบก็เหี่ยวแล้วก็ถอนหายใจพระกัมพีได้กล่าวถึงคนที่งามภายในและภายนอก เป็นสิ่งที่น่าปรารถนายิ่งนักเช่นพระนางเอสเทอร์ครับพี่น้องพระนางเอสเทอร์นั้นสวยยิ่งกว่าใครในเวลาเดียวกันนั้นพระนางก็สแสดงออกถึงต่อพระเจ้าอย่างประทับใจสวยจากข้างในด้วยพระนางยอมที่จะเสียชีวิตเสี่ยงชีวิตกอบกู้ชนชาติของตัวเองยอมสละชีวิตและนี่คือน้ำใจอันดีงามเป็นความงดงามที่เกิดจากข้างใน เอสเธอร์ได้กล่าวคำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือว่าถ้าฉันต้องตายก็ให้ตายเถิดอันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมเอสเธอร์บทที่สีข้อ16ครับพี่น้องครับชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นก็เปรียบเสมือนกับเจ้าสาวที่ต้องแต่งตัวคอยสามีก็คือเจ้าบ่าวเปาโลเขียนว่าแม้กายภายนอกของเรานั้นกำลังชุดโทรมไปแต่จิตใจภายในนั้น ก็ยังจำเริญขึ้นใหม่ทุกวันจิตใจภายในนั้นภาษาเดิมแปลว่าคนที่อยู่ข้างในครับในสองโครินบทที่ 4,16 ข้อครับกายภายนอกไม่สวยหลายหลาคนไปทำให้สวยแต่ผลก็ออกมาก็แย่กว่าแทบจะยูนไม่ได้ครับแต่ความนามงามภายในครับถ้าเราอยากได้ก็รับได้เลยและทำให้สวยงามยิ่งขึ้นได้ ร่างกายของเราที่เป็นขึ้นมาจากความตายจะเป็นร่างที่สง่างามเป็นกายวิญญาณครับคนที่จิตวิญญาณดีเมื่อเขาปรากฏในการเสด็จกลับมาอย่างพระสริขององค์พระวิญ้าเขาจะมีความงามของจิตวิญญาณครับมีความงามที่มีพระสิริของพระเจ้าซึ่งต่างจะตากกับความไม่งามในเนื้อหนังมากๆเลยทีเดียวครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะงามจากข้างใน ในวันนี้เราได้พูดถึงความงามจากข้างในการรับใช้จากข้างในและการแบ่งปันการให้จากข้างในครับอเมน